มิลินทะปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทะปัญหาสัตมวัคสมุทธะปัญหาที่สิบสี่ถามว่าคำที่กล่าวว่ามาหาสมุต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 มหาราชะอุทกังบรรดาที่เข็มเท่าใดโดยรอบคอบที่อุทกังเข็มอยู่นั้นชื่อว่ามหาสมุรขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาขาเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เจริญอุทกังนั้นเข็มด้วยเหตุอันใดนิมนต์วิสัชนาไปให้แจ้งก่อน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 สมุท่าปัญหาเป็นคำรบสิบสี่จบเท่านี้